พึงพากันตั้งใจสำรวมใจขรุขให้แน่วแน่วันนี้เป็นวันพระแปดคำเดือนสิเว็แลมแปดคำเป็นวันรักษาโบอถสศรีนในฝันฟังธรรมของอุบาสกวาสิกา ซึ่งเคยกระทํากันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าแม่พระพุทธเจ้าองค์ใดมาบังเกิดขึ้นในโลกก็ทรงวางข้อวัตปฏิบัติอย่างนี้ไว้ให้อุบาสกุบาศิกาได้ประพฤติตามเพราะว่าอุบาสกุบาศิกา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 สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆมาถูกต้องเข้าก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้ยินดียินร้ายอันนี้เราเรียกว่ารักษาอุโวสถนะให้พากันเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็ระมัดระวังเรื่องการพูดการจา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 แต่คนส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นแม้จะจำศีลตัวโบสถอันนี้ก็ไม่ใคส่สำรวมเอาแต่เรื่องภายนอกน่นมาพูดกันคุยกันเอาแต่เรื่องสะเพะเหระไม่ค่อยเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดอันนี้นะว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยถ้าหากว่าผู้ใดไม่เข้าใจอย่างว่านี้นะ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 <c oughs> ก็หมาความว่าเรามารักษาศีลนโิสุิก็อยู่ภายในขอบเขตของวัดวันนี้บางคนมันก็อยู่ตั้งแต่กายเสฉๆอยู่ในวัดแต่ใจมันพุ่งออกไปนอกวัดตูนมันคิดอะไรต่ออะไรในอารมณ์ที่ข้างๆอยู่ไม่ละไม่ถอนมันแต่อดีตล่วงมาแล้วทางวาจาก็ดีเมื่อใจมัน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 เพราะฉะนั้นนักบวชนี่จึงมีโอกาสสํารวมอินทรีย์ได้เต็มที่แต่ว่ามันสํารวมได้แต่ตาหูจมูกเล้นกายแต่สํารวมใจไม่ได้เนี่ยใจนี่มันชอบออกนอกวัดอยู่เลยไปยางานนี้ก็าบอกเป็นจุดอันตรายแก่ผู้เป็นนักบวชมากทีเดียวเพราะฉะนั้นคําว่าสํารวมอินทรีย์มนอินรย์แหละสาคัญกว่าเพื่อนทั้งหมด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 ทั้งที่เพื่นแสดงให้ฟังบ่อยบ่อยอยู่เนี่ยบางคนก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้เลยก็มีออย่างนี้เนี่มันหนาแน่นด้วยอวิชชาตันหามากคนเราอ่ะก็ต้องจับหลักให้มันได้เพราะว่ามันมีหลักยืนตัวอยู่ข้อปฏิบตัติต่างๆนะแต่ว่าส่วนปีกย่อยทัางหมดขยายออกไปแต่เมื่อพูดถึงหลักจริงๆแล้ว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 กายก็มีหน้าที่ได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแต่ผู้รับรู้กับความสัมผัสถูกต้องเหล่านี้นะั้นใจดวงเดียวเท่านั้นเองตาเป็นต้นไม่ว่าอะไรเลยมันก็สกามารถจะเห็นเท่านั้นแหละแต่เหตุที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเป็นต้นอย่างว่านี้มันเกิดขึ้นจากดวงกิดนี้ต่างหาก เมื่อตาไปเห็นรูปเข้าดวงจิตไม่รู้เท่ารูปนะั้นก็ไปหลงยินดีหลงยินร้ายในรูปอันนั้นอย่างนี้นะแล้วมันจะได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นใหญ่โตถ้าไปยินดีในรูปนั้นมันก็สแสวงหารูปนั้นอีกแล้ว เ, เป็นงนั้นถ้าไปยินดีในเสียงมันก็สแสวงหาเสียงยินดีในกลิน่นมันก็สแสวงหากลิน่น เมื่อมันยินดีในรถมันก็เสวงหารถ์เมื่อมันยินดีในสัมผัสมันก็เสวงหาสัมผัสอันที่ต้องการเหตุนะั้นนท่านจึงกะล่าวว่าตัณหานะ่คือความทะเยอทยานอยากในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบตาเป็นต้นเราเนี่ยเมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็อยากไปไม่มีสิ้นสุดเลยเหตุนะั้นคนเราถึงได้ทาบาปนั่นแหละ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 คาวรวาะก็ตามนักบวชก็ตามเกี่ยวข้องทั้งนั้นเลยเพราะว่าตัณหาน่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใครสะสมตัณหาไว้มากเท่าไหร่ทุกข์ก็มากเท่านั้นจะเป็นเพศใดก็ตามไว้ใดก็ช่างเหมือนกันหมดเลยทีเดียวอะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงข้อปฏิบัติไว้ ให้พุทธบริษัทยึดถือเอาเป็นแนวทางปฏิบัติคือว่าถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเราบังคับกายวาจาใจนี้ให้ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้านี่ให้ได้นั่นแหละ่ถ้าตนเองไม่บังคับตนแล้วมันยากอยู่นะมันจะปฏิบัติตามได้ครบถ้วนนะเช่นอย่างเรื่องภาวนาอย่างนี้ แม้จะเป็นนักบวชนี่มันก็ขี้ค้านภาวนาอย่าว่าจะเป็นเครหัส่าเลยจ้ำจี้จ้ำไสกันอยู่เท่าไหรมันก็ไม่ไปไหนเลยเพราะคนขี้เกียจภาวนานั่นแหะบวชมาแล้วก็ถึงอยู่ไม่ได้เลยกิเลสตัณหามันครอบงําเอาสู้อํานาจกิเลสตัณหาไม่ได้ก็ต้องซึคลาลาเพศออกไปไอ้ผู้ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้นั้นเพราะไม่ขี้คลานภาวนา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 อนี่เขาก็สร้างตึกรามใหญ่โตมโหฬารเลยทีเดียวมหาบัินี้ก็เห็นแต่ซากอิดซากปูนกองกันเหมือนกับพูเขาน้อยลูกหนึ่งเลยทีเดียวอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้านะั้นนะพระองค์เป็นผู้มีบุญญาบารมีแก่กล้าเต็มที่แล้วแม้ว่าผลบุญกุศลจากอำนวยความสุขความสบายให้ในโลกนี้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 เรามีสมบัติอะไรที่จะให้ใจมันผูกพันอยู่ในโลกนี้ไม่มีไม่มีอะไรที่น่าจะให้จิตใจมันห่วงใยเลือกนารู้สูวนอันใดก็มีจำกัดถ้าจะแบ่งสรรพันส่วนกันในระหว่างพี่พี่น้องน้องก็ได้คนละไม่กี่ตารางวาอันโมเนี้ยมันต้องคิดต้องกรองดูให้ดีนักบวชอะ่ะ เมื่อคิดเห็นแล้วมันก็จะได้มั่นใจอยู่ในพรมจันท์จะไม่หลงเหยื่อล่อภายนอกนั้นอันภายนอกนั้นมันมันมีเหยื่อล่อเรื่องมาน่ะเพราะว่าการประดับตกแต่งการประดิษฐ์ปะด้อยอะไรต่ออะไรขึ้นมาหมเนี่ยไอ้นักบวชไปเห็นเข้าแล้วก็ชอบอกชอบใจน่ น, นักบวชชนิดที่ไม่ภาวนา ไม่เห็นแจ้งในไตรลักษณะญาณก็หลงสมมุติหลงบัญญัติหลงเครื่องหลอกลวงหลอกตาลวงใจเข้าไปเนี่ยคนขี่ค้านภาวนาย่อมถูกอำนาจของกิเลสตัณหามันชักจูงไปตามประสงค์เลยเนี่ยว่ามันจูงไปหาทุกข์นั่นเองแหละทีนี้ถ้าเป็นคารือหัดคองเรือน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 อัตภาพร่างกายนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ในบังคับบัญชาของผู้ใดแม้ผู้ใดจะหาอาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงมันสักเท่าไหร่มันก็ไม่ยั่งยืนมันก็มีแต่สุดโทรมไปอยู่อย่างนั้นแหละเราจะเห็นได้ดังพวกเศรษฐีก็ฮาบอดีหมูนั่นล้วนแต่มีเงินเป็นหลายร้อยล้านหลายพันล้าน แล้วก็ไม่เห็นว่ามันยังยืนอะไรกันเลยไปไปหมดบุญเก่าแล้วก็ตายเท่านั้นเองนะสมบัติทั้งหลายที่สะสมไว้ก็ตกเป็นของผู้อื่นไปอันพวกนี้นะที่วควรคิดควรพิจารณาไม่ควรที่จะไปติดรสชาติของอาหารไม่ควรที่จะไปติดสัมผัสอันอ่อนนุ่มนิ่มเหล่า น, นั้นนะ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 อย่างนั้นแหละนอนกับนอนโซฟานอนที่นอนอันสูงอันใหญ่อันอ่อนนุ่มนิ่มเมื่อได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้แล้วเลยติดไม่สามารถที่จะจากไปได้ถ้าไม่จำเป็นจริงจิงก็เลยไม่จากที่นั่งที่นอนหมอนมุ้งอะไรไปเลยอันนี้แหละเป็นเหตุให้คนเราไม่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 รู้เท่ามันอาศัยมันอยู่โดยไม่ได้ยินดียินร้ายกับสัมผัสเหล่านั้น เ, เช่นนี้แล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ไม่ขาดจากการสั่งสมบุญกุศลจะเป็นผู้ไหวพระเป็นผู้นั่งสมาธิภาวนาไม่เห็นแก่หลับแกนอนไม่เห็นไม่หลงยินดีพอใจแต่ในความสัมผัส อ, อ่อนนุ่มนิ่ม ยินดีรักษาอุโบสถสิ้นเพราะว่ามานึกถึงชีวิตนั้นมีประมาณน้อยเดียวจะมาหลงมัวเมาติดอยู่แต่ในสัมผัสในรูปในเสียงในกลิ่นในรสต่างๆหัวนี้นี่มันก็นับว่าเสียเวลาไปมากมายไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญกุศลนี่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 นี่แหละเมือ่อเมื่อใจมันน้อมไปทำแห่งความรักกรงกันข้ามเอาเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นอันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพออกพอใจก็เกลียดชังมานี้นะ่ะใจก็น้อมไปทางเกลียดชังเข้าไปนั่นแหละถ้าเป็นคนเป็นสัตว์ก็าคิดอิจฉามานี้คิดเบียดเบียน อยากให้มันลมหายใจไปจากโรคนี้ซะอย่าให้ได้พบได้เห็นมันคนผู้นี้หรือว่าสัตว์ตัวนี้เราเกลียดชังมันเหลือเกินอันโมนี้นะมันก็เกิดจากใจที่น้อมไปทางความเกลียดชังทั้งนั้นเลยหลวงพี่นะดูให้ดี <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างจริงว่ามันขึ้นอยู่กับดวงใจเนี่ย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 มันก็ไม่หลงแล้ววันนี้ไม่หลงยินดียนร้ายไปตามแล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตนอะไรที่จะมาให้ยินดียันร้ายในความเห็นภายในจิตใจนู่นนะอืมไม่มีเพราะว่าถ้าว่าเกิดขึ้นมีขึ้นนะเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พี่น้าเห็นว่าเป็นแต่สักแต่ว่าสังขารเท่านั้นเองแหละถ้าโดยปรัมมัทธธรรมแล้วนะ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 ที่ตั้งกันขึ้นมานี่ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมอบรมปัญญาให้เกิดแล้วมันก็ต้องคิจาจรณารู้แจ้งตามเป็นจริงในรูปเป็นตนดังกล่าวมานั่นะตลอดถึงมารู้ขันทังห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็ให้เห็นสภาพเหมือนกันภายในเป็นอย่างไรภายนอกก็เป็นอย่างนั้นแหละ ภายนอกเขาสมมุติกันยังไงภายในก็สมมุติกันอย่างนั้นแต่เมื่อเรารู้แจ้งว่าเพียงแค่สมมุติบรรยัตเราก็ไม่ไปขวางโลกเขาว่าไปยังไงเราก็ว่าตามไปแต่เราไม่หลงข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เองนะแต่เราไม่หลงให้พากันคิดเข้าใจให้ดีอันในเมื่อยังมีตาหูจมูกกลิ่นกายอวัยวะมือเท้าอันนี้อยู่ ตราบใดแล้วจะไม่ให้สัมผัสถูกต้องกับพวกเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต่ตางๆพวกนี้เป็นไปไม่ได้มันต้องมีอยู่อย่างเนี้ประจําวันประจําเวลาแต่ผู้มีสติปัญญามันคงไม่หลงเท่านั้นเองหละวางตัวเป็นกลางต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ทั้งไฟดีทั้งไฟชั่วทั้งไฟที่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็ ก็ให้กำหนดรู้ตามสาภาพความเป็นจริงเรื่อยไปแต่เราก็อาศัยสิ่งเหล่านี้แหละเป็นอยู่นะทั้งเป็นนักบวชก็ตามผู้ครองเรือนก็ช่างก็ดต้องอาศัยธรรมชาติเหล่านี้แหละอาศัยท้พูดโดยระ บ, บุชื่อลวก็อาศัยอาหารการบริโภคอาศัยผ้านุ่งผ้าหม่มนี่อาศัยที่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 ที่จะบริโภคปัจจัยสีเนี่ยในอาหารมาก็พิจารณาอาหารให้เห็นลงเป็นธาตุเป็นของไม่สวยไม่งามอะไรเลยเออแล้วแล้วึงค่อยบริโภคในผ้านุ่งผ้าห่มมาก็พิจารณาผ้านุ่งผ้าห่มเหล่านี้เมื่อเวลาอยู่นอกกายก็รู้สึกว่าสวยสดงดงามเมื่อเอามาหุ้มห่อกายนี้เข้าไป เหงื่อใครไหลออกมาผ้าห่มห่อกายอันเป็นของไม่สะอาดนี่แล้วผ้าหนุ่งผ้าหม่มอันนี้มันก็เลยไม่สะอาดไปตามกันนะดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยผ้าหนุ่งผ้าห่มเราเนี้ยเ hmm. สนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันนะมันก็ประกอบขึ้นด้วยสัมภาระอันเป็นธาตุดินนั่นแหละอืสําหรับเป็นที่อยู่ที่อาศัย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 นั่นแหละเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยลงอย่างนี้เมื่อมีผู้เอายามาให้รับประทานแล้วก็พิจารณาเสกรรับประทานยานี้เพื่อให้หายจากโรคไข้ไข้เจ็บเมื่อหายแล้วก็จะได้ประกอบกุศลคุณงามความดีสืบต่อไม่ใช่ว่าเราจะรักษาร่างกายอันนี้ให้มันหายโรคหายภัยแล้วก็จะได้ไปอวดใครต่อใครว่าตนนั้นสวยงาม แข็งแรงดีอะไรหมดเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเรารับทานยานี้เพื่อให้โรคภัยมันหายแล้วจะได้ประกอบกุศลขุนงามความดีให้เกิดมีแก่ตนยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่พิจารณาอย่นี่ยจึงรับประทานยานั้นมันก็จึงไม่เป็นกิเลสตัณหาการบริโภคประใจสีนะ่ะให้พึ่งพากันใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งแวดล้อมอยู่ในตัวของเรานี้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 แต่เวลาเราอาศัยมันแบบที่ว่าให้อุปมาเหมือนอย่างน้ําอาศัยใบบัวหรือใบบัวอาศัยน้ําอยู่ใบบัวนั้นถึงจะแช่น้ําอยู่น้ําก็ซึมเข้าสู่ใบบัวนั้นไม่ได้ท่านใดมู้นีผู้รู้ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนั่นแหละท่านจะได้รับรู้อารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นอย่างนี้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรเลย ไอ้ความรู้สึกนั้นไม่ได้ซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของท่านให้ท่านได้หลงไหลในสิ่งเหล่านั้นเพราะอาศัยท่านมีญาณความรู้บังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วตั้งมั่นเป็นปกติไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาหอยุติลงเพียงเท่านี้